50 languages. 52. Aimbatti irundu. In hag s a p a i n ka. Pal angodiil. We to go to n m pal a n g d i i l c e l v o m a ดิฉันต้องไปซื้อของเย็นักปูรุตกลวังกเวนดมดิฉันอยากซื้อของหลายอย่างเย็นักนิเระยาปูรุตกลวังกเวนดมแผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะอลูเวละกะปูรุตกลยังกวุลละเนะ้ดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน ยานั க กูร่ายுล்่มยืนดูพ อ, อรุตคลุ่มเว้นดมดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่อนและปากกาเมจิกยานัுยืนยดมเพนอว ம มมอร์คเกอร์เพนอว์มเว้นดมผ น, นกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนเฟอร์นิเจอร์ยอย் க งกี่ยืนขึนตนะดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชัก ยานักวัวร์อาลามอริยุมวுวร์อดุ ட พริตติยุมเวนดุมดิฉันต้องการโตเขียนหนังสือและชันวางหนังสือ ன า் க ு ஓ ัว எ ழ ுตตยு மேஜையும் ஒரு วு த ் த க அ ல ம ா ர ி ய มอริยุมเวนดุมนแนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะบล่ายอดต์ปุรดกัลยังก์ยิร์กินดนะน์ดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี எனக்கு ஒரு ப ொกกบมมุ้มใหญ่ยมเท็ดดี้คาร์ดยิยมเบน ด, ดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก எனக்கு ஒரு கால் ப ந ்นுกกุมสัดรังก์ก์พละกัย்มเบ்แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะ கருவிகள் எ ங ் க ก இருக்கின்றன ด, นะดิฉันต้องการคอนและคีม ยานักวுออร์ த ูสุตติยกลุ่ க อีดกีย้ยงเวนด์ดมดิฉันต้องการสว่านและไขควงย ன น் க ว ஒ รு த ு ள ุลัยอีดคาร์วิยงทิรปุลย์ยงเวนด์ดมแผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนนั ก, กยิป த ุ எங்கு இ งก์ยิริเคระดุดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ ย ர นักก க ว่ிรுสังைก்ุมกாมไขு ம ்อிุே ஸ บรสเล็ตตุมே ண ்นดุมดิฉันอยากได้แหวนและต่างหูย ன นักก ஒ ว่ ம ร த โมดுรม்มุมคอ க ள ด ம ்นே ண ்ขுุมนดุม